คนก็เมื่อถามดูว่ารักตัวไหมเราใครๆก็บอกว่ารักตัวทั้งนั้นเลยนี่ถ้ารักตัวจริงมันก็ต้องศึกษารู้สิ่งใดที่มันจะเป็นเหตุแห่งทุกข์แก่ตัวเองนะ้วก็อย่าไปทำมันอย่าไปสะสมมันไว้ในใจเพราะว่ารักตนในที่นี้ก็หมายความว่า ต้องการอยากให้ตนมีความสุขความหมายมันก็อยู่ตรงนี้แหละใครๆก็ดีเพราะอะไรนะเพราะเกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์แทรกเข้ามากับความสุขมันนี่ความประสงค์ของคนเรานี่อยากมีความสุขล้วนๆไม่อยากให้มีความทุกข์แทรกแป้งเข้ามา อันนี้เป็นความประสงค์ของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ <c oughs> นั่นแนะทุกคนนะ่ะให้พิจารณาดูที่ว่าตนเองต้องการอย่างนี้ไหมเมืม่อต้องการอย่างนี้แล้วแต่ลำพังความรู้ของตัวเองนั่นนะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นถูกได้ดังนั้นเราจึงได้หันหน้า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 ทำให้ความสุขยั่งยืนนานไปไม่ได้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนโน่นมาอือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละท่านผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว แม้จะปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มุ่งต่อพันิพันธ์เป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่มุ่งจะมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีสิ้นสุดท่านไม่ได้มุ่งอย่างนั้นบรรดานักปราดทั้งหลายท่านที่ไม่ได้ปราดถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีท่านก็มองเห็นได้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์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 บางเอื่นผลมีเหตุผลที่จะต้องได้อยู่ร่วมกันอ่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ขับแขนใจจะทําอย่างไรก็ไม่ได้นี่แหละความทุกข์ในโลกนะที่าพากันพิจารณาให้มันเห็นแล้วสรุปลงว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นมันเป็นความต้องการรวบยอดเลยแับนี้นะเอ่า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 ก็คือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นั่นผิดหวังจริงๆเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากชราช้ำรุดชุดโทมไอร่างกายนี่เนี่ยก็ไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนเนี่ยก็ไม่อยากตายสุดท้ายนะแต่แล้วมันผิดหวังไปหมดเรื่องโมนี่ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยถ้าผูใ้ใดมาถือมัน่นอยู่อย่างว่านั่นนะ่ะคือว่าเกิดมาแล้วไม่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 หน้าอกเท้าหมาพรมบังเกิดจากเท้าของเท้าหมาพรมบังพวกกรรมกรคนงานต่งตางๆพวกนี้เขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปอยู่นั่นแหละบางคนก็เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอย่างนี้แหละมันจึงได้มีการบวงสวงกัน แล้วความเห็นที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผมมาเห็นแตกต่างกันไปอีกบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วศูนบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วเกิดแต่ว่าการเกิดนั้นน่ะมันอาศัยสิ่งสักติดโดนบันดาลให้เกิดก็มีบางไอ้พวกก็เห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ทั่วทําน้าให้เกิดอีกความเห็นแบบนี้นั่นได้แก่ความเห็น ในพระพุทธศาสนานี่เห็นว่าค น, คนจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยเพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทรมาแต่ชาติก่อนติดตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอันนี้แหละความเห็นของคนในโลกเนี่ยมันไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยต็ อ, อย่างนั้นมันขัดแย้งกันอยู่ยงั้นแต่แล้ว สำหรับเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญไปตอนปฐมยามก็ทรงได้ตัดสุ้ปุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติหนนหลังได้เละลึกชาติหนนหลังของพระองค์เองนั่นเองพระองค์เกิดชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอะไรมีอายุมีวันนะมีสุขภพละอย่างไรบ้าง นี่ก็ทรงรู้ไปรู้ไปหลายชาติคืนหลังไปนู่นตอนเที่ยงคืนก็สัตรู้รู้แจ้งในความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทําเอาไว้แต่ในชาติก่อนหนหลังนู่นปิดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมอะไรไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกมา โดนบันดาลให้คนเกิดมาไม่มีเพราะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ผ่านในพ ย, ยานของพระ อ, องค์เรื่องนั้นนะพยานของพระ อ, องค์นั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นนะมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทำกรรมอันใดดีก็ดีชั่วก็ดี ก็จกได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เรามาพิสูจน์กันในพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์ผู้มีปัญญาเมื่อพิสูจน์แล้วก็ย่อมไม่มีทางสงสัยเลยย่อมรับรองพระโอวาทข้อนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยข้อนี้ก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่า เราจะมารู้เอาง่ายงายอย่างนี้มันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนั่นแหละไอ้ที่ท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อย่างแน่วแน่เลยไม่ไม่ได้เชื่อสิ่งใดมดพระโสดาบันไม่ได้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสาคุณโลกอันนี้อย่างที่โลกเขาเรียกร้องหาอยู่นั่ น, น, น, น, นผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้นะถึงจะไม่ได้สาเร็จมรรคผลอะไร แต่มันก็เป็นหนทางให้ได้สําเร็จมั่กผลได้แน่นอนไม่ผิดทางนะฮมันจะผิดยังไงเล่า mm. เมื่อเรามีความเห็นตามคําสอนพุทธเจ้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล่ะก็ พ, ะพยายามละกคำ ม, มันชั่วทั้งสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ามันชั่วมันเป็นโทษก็ พ, พยายามเว้นไม่ไม่ร่วงเกินนะทรงสแสดงว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็น ความดีเป็นบุญเป็นกุศลจะอำนวยขนให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปตราบเท่าถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลความดีนี้เองเน่ะจะส่งให้ถึงพระนิพพานบาปนั้นมันไม่จะส่งลงนรกอืาไม่ได้ส่งไปสวรรค์นิพพานอะไรนี่เรามาปรับปรุงความคิดความเห็นในใจ ของแต่ละคนอย่างนี้แหละให้มันเจมแจ้งด้วยตนเองเห็นอย่างนี้คือว่าตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ดีพระอาราหันต์ทั้งหลายก็ดีแต่ท่านมีความเห็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เริ่มสร้างบา ร, รมีมาอืดังนั้นท่านจึงเพียรละความชั่วออกไปเรื่อยๆเพียรทําทความดีเรื่อยไปบุญกุศลบา ร, รมีของท่านก็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 ก็ต้องได้ไปฝึกตนอบรมตนไปพอสมควรดีแล้วแหละแต่เพราะอินทรีมันยังไม่แก่กล้ามากก็ต้องได้ฝึกตนออกเรี่วแรงพอสมควรกลัวอินทรีมันจะแก่กล้าเหมือนอย่างในเรื่องของนายโคบาลเจะขั้งพระพุทธเจ้าน่เมื่อไปตั้งความเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่ง แล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่ที่ของตนพระองค์พิจารณาเห็นว่าอินทร์บา ร, รมีเขายัางไม่แกกล้าก็ยังไม่เสด็จไปก่อนแบนี้เขาผู้มีบา ร, รมีติดตัวมาเขาก็พยายามบำเพ็ญอินทรีไปบำเพ็ญบา ร, รมีไปคือว่าพยายาม ภาวนาอบอรมจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตน a g r a พิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่งยืนไปแล้วทำให้อินทรีแก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีแก่กล้าแล้วก็ไปต้องขายพยานของพระ อ, องค์เมื่อนั้นแหละพระ อ, องค์จึงได้เสด็จไปสู่สำนักของนายโคบานนั่นไปก็ไปพักอยู่ รุงเช้านายโคบาลก็ไหว้พระตาหารเดชพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่ตามสเสด็จเสร็จแล้วพระองค์ก็สแสดงธรรมให้นายโคบานฟังจบลงนายโคบาลก็ได้บรรลุโสดาปติผล์ได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเสร็จแล้วพระองค์ก็สเสด็จกลับนายโคบานก็ตามส่งพระองค์มา ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ทูลลาพระองค์กลับไปที่อยู่ของตนในขณะที่กลับไปไม่ไกลนักถูกวัวไม่รู้อ่อนตัวหนึ่งชนเอาล้มลงถึงแก่กรรมไปพระสงฆ์บางองค์บางรลกไม่รู้เรื่องดีก็ยังกล่าวตู่พระองค์มา เพราะพระองค์สเสด็จมานี่แหละนายโคบาลจึงได้ถึงซึงความตายพระสงในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะนั่นแหละทั้งที่พระองค์เป็นพระพเจ้าถึงขนาดนั้นนะก็ยังไปกล่าวตู่พระองค์ได้อยู่พระองค์ยังตัดว่าดูก่อนทิกตุถึงเราสถาคตจะมาหรือไม่มา เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตอนผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ก็จ้องต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนั่นแสดงว่านายโคบาล น, นั่นเป็นผู้มีกรรมมีเวนมาแต่ก่อนกรรมเวนนั่นตามมาสนองเอานี่แหละคนเราทำทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้ที่ให้ฟังส่วนบุญมันก็ปูนไปบุญให้ผลก็ได้สำเร็จโสดาปฏิผล เป็นอริยะบุคคลในพุทธศาสนาบันนี้มาถึงวาระบาปที่ตนทามามาให้ผลมันก็โดนบันดาลให้ล้มให้ตายไปปัจจุบันทันด่วนแต่เขาตายไม่มันจะตายแบบไหนก็ช่างถ้าเมื่อเขาได้บรรลุโลกุตรรธรรมแล้วเขาไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิมันก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่น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 มาจองร่างจองผลานเป็นอย่างนั้นเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของคนเรานี่นะเนี่ยเราก็สันิฐานดูก็ได้บางท่านบางคนเกิดมาแล้วเพื่อนก็มีอายุวันนะสุขภัละปฏิภานธนสารสมบัติมีสมบัติมากๆมากมาก็ไม่มีใครมายือ้อมาแย่งเอามาจี้มาปล้นเอา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 ถ้าใครเมื่อรวยมาแล้วก็เป็นคนตนีทีเหนียวสมควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินทองอันนั้นบริจาคทานไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนร่วมอย่างนี้ก็ทำไม่ได้หวงแหนไว้ถ้าจะบริจาคไปก็กลัวมันจะหมด กัวมันจะไม่ได้อวดอ้างคนอื่นว่าตนเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้พวกโจรพวกขโมยมันกอิจฉาเนี่ย เ, เจ้านี่มันห่วงแหนเหลือเกินอะ่ะมันเป็นคนใจแคบแคบไม่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกเราต้องวางแผนปล้นเอาซะเลยก็อย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องนะ เพราะนั้นจึงปรากฏว่าคนรวยๆเนี่ยมกักจะถูกปล้นเนาะปร้นแล้วยังไม่พอมันยังถูกฆ่าตายไปอีกเยอะแยะนี่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนเราทำทั้งกำดีกำชั่วมาแต่ในอดีตเนี่ยเกิดมาชาตินี้มันก็ให้ผลทั้งสองอย่างเลยส่วนใดที่มีกำลังมากกว่าส่วนนั้นก็ให้ผลก่อน ส่วนใดมีมีกำลังน้อยกว่าขอให้ผลทีหลังเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นอย่างนี้นื้ปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเบือ่อในในกรรมชั่วทั้งหลายนั่นเลยมองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงไม่ทํากรรมชั่วต่อไปจึงไม่อิจฉาเบียดเบียนใครเลยเป็นอย่างนั้นแล้ว แถมมาเพ่งพิจารณาดูสังขารร่างกายอันนี้เข้าไปอีกก็ยังเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ท น, นยากลำบาก น, นานาประการทั้งเป็นอนัตตาบาังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเห็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเบื่อหน่ายก็กย่อมรู้ชัดว่าดวงกิดเนี่ย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 แต่ท่านก็ต้องอาศัยไปอืดวงจิตนี่แหละก็อาศัยอัตภาพร่างกายนี้ไปสงเคราะห์โลกไปแบบนี้นะ่ะสงเคราะ์คนอื่นไปเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายเอ้าท่านบินสบาทไปใครใส่บาทแก่พระอรหันต์เช่นนั้นก็มีอา น, นิสงส์มากในบุญหลายเพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจด จากกิเลสปัปธรรม ท, ทั้งหลายโดยประการทั้งพวงดังนั้นผู้ใดได้ให้ทานแก่พระอระหันต์จึงมีผลมากเอาพระอระหรันต์ก็ยังมีหลายประเภทเข้าไปอีกพระอระหันต์ที่ท่านสําเร็จได้ด้วยสมถะวิปัสสนาอย่างนี้นี่ท่านก็มีฤทธิ์มีเดชท่ทานก็มีฤทธิ์มีเดช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 ก็จะต้องปรากฏผลในปัจจุบันนั่นทันทีเหมือนอย่างนั้นสองผัวเมียกับลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใช้ของเศรษฐีในกรุงราชครึ่นั่นแหละได้ใส่บาตรให้พระสารีบุตรเถระเจ้าที่ท่านออกจากสมาบัตรมาในวันนั้นที่ไถ ท, ที่ไถนานั้นของเศรษฐีนั้นก็เกิดเป็นทองคําทั้งแท่งเลยนาไรที่เขาไถวันนั้นน่ะ เขาก็เลยได้เป็นเศรษฐีขึ้นในชาตินั้นเลยนี่แหละการทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเนี่ยมันมีผลมากจริงๆมาเ น, นี่ผู้ที่มีอินทร์บรารมีแก่กล้ามีปัญญามาแล้วก็พยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางไปละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไป ด้วยสมถะวิปัสนาเช่นนี้แล้วก็ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็นับว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในเมื่ออินทรียบารมีมันแก่รอบเมื่อใด ก็จะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้อ ง, องการบุญกุศลต่อไปอย่างนี้แหละไอ้คุณธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะมันสูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพจริงๆแล้วก็สามารถบำเพ็ญให้เป็นไปได้ดังนั้นทุกคนก็อย่าพากันประมาทให้เพิ่งพากันตั้งอกตั้งใจ ฝึกตนไปให้เต็มความสามารถสำรวมตนให้เต็มที่แล้วก็จะประสบบุญกุศลอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ดีแล้วคือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งความดับทุกหนึ่ง ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งนี่เป็นธรรมของจริงหมายความว่าเราจะต้องอบรมจิตนี้ให้รู้จริงตามธรรมะความจริงสี่อย่างนี้ให้ได้เช่นอย่างว่าทุกอย่างนี้ก็ต้องรู้แจ้งทุกตามเป็นจริง รู้อย่างไรเียว่ารู้แจ้งทุกตามเป็นจริงก็คือรู้ว่าความทุกข์มันมีได้เพราะมันมีความเกิดมันเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันแปรผันวันไว้ไปมาในระหว่างกายกับจิตนี่มันกระทบกันเข้า อีกนี้ก็เลยรู้สึ ก, กว่าไม่สบายนั่นแหละมันความทุกนี้มันเกิดมาหลายทางเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายนี่อย่างหนึง่งแล้วก็เกิดจากกิเลสตัณหาที่ยังละไม่ได้นั่นมันเผารนเอาอย่างหนึง่ง ความทุกข์ทว่าโดยย่อแล้วมันก็มีอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึกคนจิตนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเพื่อจะได้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงแล้วก็เพื่อจะได้ละเหตุแห่งทุกข์เนินไปในตัวก็เมื่อรู้ว่าร่างกายอันนี้มัน ไม่เป็นไปตามใจหวังมันบังคับไม่ได้ล้วอย่างนี้เราก็มาค้นคว้าดูว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมาเราตันหาอุปทานแล่เป็นปัใจจัยให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างแล้วเกิดเป็นตัวกรรมขึ้นมากรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละบะนี้ นำดวงกิจนีิมาปฏิสนธิในท้องของมันดาอาศัยาธาตุของมารดากับาธาตุของบิดาประกอบกันเข้าแล้วก็มีบุญกรรมบาปกรรมที่ตนท ร, ร ม, มาเป็นเครื่องตกแต่งรูปร่างอวัยะนะอวัยวะร่างกายของความเป็นคนนี่ขึ้นมา <c oughs> นี่แหลเหตุปัจจัยของชีวิตก็ต้องพิจารณาดูให้มันรู้เมื่อมันได้รูปได้นามอันนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรเราเพ่งดูอยู่ในปัจจุบันนี้ก็รู้แล้วเห็นแล้วถ้าใครไม่รู้ก็ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้เพียนเพ่งพินิษ ด, ดูถ้าหาว่าเพียนเพ่งพินิษ ด, ดูอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็เห็นนั่นแหละ เห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งเหตุปัใจจัยให้เกิดทุกข์พร้อมกันไปเลยทีเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นของมีอยู่แท้ๆนี่นะแต่บางคนเมื่อมันหลงหลายมันก็ไม่ยอมเชื่ออมันไม่ยอมเชื่อว่าบุญบาปนี่มาตกแต่งร่างกายนี้ให้เกิดมาเพราะเหตุนั้นนหละมันจึงไม่ยอมละบาปและไม่ยอมบําเพ็ญบุญกุศลสืบต่อ ผู้ใดมาค้นหาเหตุปัจจัยของชีวิตเห็นด้วยปัญญาแล้วผู้นั้นก็แน่นอนแหละต้องเพียรละบาปออกจากกายวาจาใจเพราะว่าเมื่อบุคคลใดไม่เพียรละบาปออกไปอันบาปนั้นนะ่ะมันก็จะตามตกแต่ง ร่างกายให้ดวงขีดนี้อาศัยอันไม่เป็นที่พึ่งป่าถนาเข็นไปตกแต่งร่างกายของสัตว์นรกร่างของสัตว์ดิริชานอะไรม้มนี่นะร่างของเปรตนี่มันล้วนตั้งแต่บาปอกุศลนทั้งนั้นแหละไปตกแต่งร่างอันนี้ให้ดวงขีดได้อาศัยมันก็ได้รับทุกทนทรมานไปข้อนี้ก็อีกแหละ คนก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะมันมองไม่เห็นด้วยปัญญาเปรตไม่ทราบว่าเป็นตัวอย่างไรไม่เห็นอย่างนี้แหละมันนึงก็ไม่ค่อยเชื่อมันยึงทำบาปอยู่นั่นแหละคนเราสัตว์นรกอย่างนี้ก็ไม่เห็นแต่รูปอยู่ตามฝาผนังแต่ไม่ทราบว่าจะมีจริงหรือไมอ่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อลังเล สงสัยคิดว่านักปราชญ์ทั้งหลายนั้นวาดภาพหลอกคนให้คนได้ทำบุญไปเฉยๆไม่นึกว่ามันจะมีความจริงผู้อย่างนี้ก็มีเรียกว่าเข้าใจว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากแหละมันจึงไม่สำรวมกายวาชาใจจึงไม่ทำบาปได้คนเรานะ มันเป็นอย่างนั้นอันบาปนั่นนะ่ะมันจะไปดูยากอะไรแล้วดูรูปร่างของคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่นะนั่ น, นี่ยคนมีบาปรูปร่างอวัยวะร่างกายก็ไม่สมประกอบอวัยวะสั่งๆบางทีก็บกพร่องไปบางสิ่งบางอย่างบางคนก็ผอมโซไม่มีกําลังรียลแรงอะไร จะหาเรียงตัวเองได้ก็ไปเที่ยวขอทานกินไปอย่างนั้นแหละพวกตาบอดพวกนี้ก็ไปเที่ยวขอทานเขากินพวกเป็นง้วยเปียเสียขาอะไรมพวกนีนะ้เมื่อญาติพี่น้องทอดทิ้งแล้วก็ไปเที่ยวละเห่เร่ร่อนขอทานเขากินไปนั่นแล้วแลใครจะเข้าใจว่ายอย่างไรล่ะรูปร่างอย่างนั้นนะอะไรมาตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้น มันมันหาดูได้ในโลกอันนี้ไม่อดไม่อยากแต่คนอื่นทำไมรูปร่างอวัยวะมันจึงครบถ้วนบริบูรณ์มีกำลังวังชาออทาความเจริญให้แก่ตนและผู้อื่นได้ทำไมมันจึงแตกต่างกันอย่างนั้นอันอย่างนี้นี่ถ้าว่าบุคคลไม่เอาน้อมเอาคำสอนของพระตัวเจ้ามา เปรียบเทียบเข้าไปแล้วมันก็งงแหละไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าเราเคารพต่อพระธรรมคำสอนจริงๆอย่างนี้นแน่นอนแนะมันก็จะไม่ลังเลสงสัยอะไรเลยเพราะเศษบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังไม่หมดในตำราที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เห็นตายแล้วไปตกนรก นนนะพ้นจากนรกมาแล้วบาปนั้นยังไม่หมดทัา น, นก็มาเกิดเป็นเปรต <c oughs> หรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เลี้ยฉานแล้วแต่เศษบาปนั้นมันจะมีมากมีน้อยเท่าไรมันก็มาตกแต่งให้เป็นสัตว์เหล่านี้แหละก็เรียกว่าได้รับทุกข์เบาลงกว่า นรกนั้นอีกเพราะว่าบาปกรรมนั้นมันเบาลงแล้วอา้าวพ้นจากเปรตหรือว่าพ้นจากสาัตว์ดิเรกชานนั่นมาแล้วเศษบาปก็ยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนบาปกรรมนันก็มาตกแต่งร่างกายให้ไม่สมประกอบให้ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่กับอวัยวะร่างกายอันไมบ่บริบูรณ์นั้นอีกทีหนึ่ง เรื่องบาปเเป็นอย่างนี้นะมันให้ผลไปโดยลำดับลำดับไปน้อยลงน้อยลงไม่ใช่ว่ามันหมดไปทีเดียวนะบาปให้ผลนะ่ะต้องสังเกตดูให้ดีนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละก็จึงไม่ทำบาแม้จะทุกข์จนหุนโลกยังไรก็ตาม ก็จะไม่ทำบาปอันนี้เป็นความรู้ความฉลาดของนักประราดทั้งหลายผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้ของคนพานความรู้ของคนพานนั้นมันรู้ผิดไปจากความเป็นจริงมันเชื่อโดยไม่มีเหตุผล เ, เชื่อตามๆกันไปเฉยๆ ที่เข้าตำราว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะตนไม่มีปัญญานั่นแหละเอาผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจแต่ไปได้คบคนผานคนผานเขาชักชวนไปทำความชั่วก็เข้าใจว่าเป็นความดีกระทำไปตามเขาถ้าผู้ใดได้คบนักปราชญ์ บ, บรรัณฑิต ออนักปราดท่านชักชวนทำคุณงามความดีอันผู้มีนิสัยชั่วติดตัวมามากแล้วนี่มันจะทำตามคำชักชวนของนักปราดบัลลิดไม่ค่อยได้หรอกก็ต้องอ้างว่าไม่มีความสามารถทำไม่ได้นั่นแหละยอมเอาดือด้อๆอย่างนั้นเลยแต่ถ้าผู้มีบุญวัสนะติดตัวมาบ้า ง, างนี่ก็ พอมีความสามารถทำตามคำแนะนำของนักปราชญาได้อยู่บ้างแต่ทำไม่ได้เต็มทีออ่ก็พอเป็นอุปนิสัยปัดใจไปนี่แหละชีวิตของคนเรานะมันกรรมมันเป็นเครื่องตกแต่งมันจึงมีอาการเป็นไปแตกต่างกันเราเห็นกันด้วยตาหนังนี่แหละไม่ไม่จำเป็นต้องไปรู้ด้วยงานอะไรหรอกอันนี้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้รู้ผู้เห็นผู้เชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมของสัตว์ทั้งหลายและเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ตัวกระทำลงไปอย่างนี้แล้วนั่นแหละผู้นั้นก็จะไม่ทำกรรมชั่วจะขยันทาแต่กรรมมันดีเพราะว่าการทำบุญกุศลนี่ผู้ใดทำได้เท่าไหร่ก็ได้ผลเท่านั้น ทำมากก็ได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินนั่นเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยตอนนี้เมื่อเมื่อทำน้อยก็ได้ผลน้อยก็ได้มีความสุขน้อยแล้วเมื่อมีความสุขน้อยแล้วมันก็นได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขมันก็เป็นเช่นนั้นผู้ถามความดีมากขึ้นไปโดยลาดับ ก็มีความสุขมากความทุกข์มันก็เบาลงหมายถึงความทุกข์ทางใจนะแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี่มันเป็นผลของบุญของบาปที่แต่ละบุคคลทําเอามาอย่าเอาไปผสมประ ส, สานกันแม้ว่าผู้นั้นจะทําความดีเข้มแข็งอยู่อย่างไรแต่ถ้าผู้นั้นมีกรรมชั่วติดตัวมา ถึงเวลากรรมชั่วมันให้ผลแล้วกรรมดีที่ทำนั้นมันก็ท้าทานไม่ได้มันก็ให้ผลไปนี่แหละต้องเข้าใจให้มันได้สัตว์ได้ส่วนกันอยากไยเขยความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่นะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไปมองเห็นว่าบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นนะไม่สามารถจะช่วยตัวให้พ้นทุกข์ได้ ทำบุญกุศลมทาทาไรยิ่งมีความทุกข์มากบางคนก็ทำดีมาเท่าไหรก็ยิ่งมีใครไม่เห็นดีด้วยมีแต่ผู้ยกโทษติเตียนเลยน้อยเนื้อต่ำใจแหมเรานี่ทำดีอยู่กว่านี้ยังไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเลยมีแต่ผู้นินทาติเตียนฉลอยว่าก ความดีที่เราทำนี้มันจะไม่มีผลกับมังอย่างนี้แหละคนไม่เข้ารบต่อเหตุผลน่ะไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแจ่มแจ้ ง, งมันก็ย่อมไม่สามารถที่จะอดกั้นทนทานต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆนั่นก็เกิดความทุกข์ความโทมนัสหรือกลายเป็นความโกรธ ขมพยาบาทไปแก่แค้นตอบแทนกันไปเช่นนี้แหละก็ถ้าเขารบต่อเหตุผลหรือตอกรรมต่อผลของกรรมแล้วมันก็จะต้องคำนึงถึงว่าอาดีตถนหลังชาติก่อนโน่นเราคงได้ไปด่าว่าตีเตียนท่านผู้มีสินมีธรรมหรือไปด่าคนที่เขาไม่ผิดแต่เมื่อโกรธเขาไม่พอใจเขาแล้วก็ปั้นเรื่องใส่เขา อะไรไปทำนองนั้นแหละกรรมนั่นมันถึงติดตามมาสนองเอาไปอยู่ไหนไปที่ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนมีแต่คนคัดค้านมูรีมันต้องรู้แจ้งในเหตุปัจจัยเหล่านี้ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอัะไรหนึ่งที่ไม่ดีไม่งามนะมันติดตามมาแต่หนหลัง ถึงเวลามันให้ผลแล้วมันก็ให้ให้ผลไปบางคนก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายให้ทุดโทรมไปก่อนไว้ที่ควรจะเป็นไปเห็นอายุไม่ทันรก็ดูสภาพร่างกายแล้วรู้สึกว่ากลายเป็นคนแก่ไปมากกว่าอายุอานาม อันมนี้มันต้องรู้ไว้มันรวนแต่กรรมเป็นเครื่องตกแต่งทั้งนั้นเลยอย่าไปสงสัยผู้ใดรู้แจ้งเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมที่มาตกแต่งอัตภาพร่างกายให้ดวงกีดในใดอาศัยอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องอดกั้นทนทานต่อวิบากกรรมเหล่านี้ทำอย่างไรไล้ตนหากได้ทาออามาแล้วเราจะเอาไป โยนให้ใครล่ะบัานี้นั่นก็ต้องสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะเอาไปโยนให้ใครใครเขาจะรับเอาไม่มีใครเขารับตนเองเป็นผู้ทา ม, มาตนเองก็ต้องเสวยผลของมันไปจนกว่ามันจะหมดเขตของมันเราไม่ต้องวันไวเราไม่ต้องไปยกโทษใครไม่ต้องไปคิดแก้แค้นตอบแทนใคร ถ้าไปคิดตอบแทนกันอยู่นั้นมันก็เป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้จักจบอุปาทานความยึดมันในความชั่วเหล่านี้น้อยก็เป็นกรรมเป็นเวรมากก็เป็นกรรมเป็นเวรตามมากนั้นแหละเมื่อผู้ใดไม่เพียรละภายในจิตใจแล้วไม่สอนใจของตนให้ลกความยึดถือในความชั่วความไม่พอใจความกโกรธให้บุคคลผู้อื่นไว้ไม่รู้จักหาย นึกถึงบุคคลนั้นมาเวลาใดก็กใจขุ่นมัวขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรติดตามไปฮะสนองน่ะถ้าหากว่าแต่ก่อนนั้นน่ะตนเคยเกลียดชังคนนี้มาจริงแต่ว่าเมื่อตนได้มาเจริญสมถวิปัสนาเห็นแจ้งเหตุปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วตนก็อภัยให้เขาไปเลย ไม่โกโกรธไปแล้วเพียรสอนใจของตนให้ยกโทษอภัยให้แก่ผู้ที่เป็นศัตรูกับตนเรื่อยไปเช่นนี้แล้วกรรมเวรอันเกิดจากโมโหโทโสเหล่านั้นมันก็หมดไปมันก็ไม่ได้ติดตามไปสนองในชาติต่อๆไปให้พากันเข้าใจ นี่ละการภาวนาการฝึกขนอบรมจิตใจนี่ก็เพื่อชําระล้างจิตดวงนี้แหละให้มันสะอาดปราศจากเวรไภ่ต่างๆนี่เมื่อเวรทั้งหลายเหล่านี้มันลังับไปหมดแต่มันไม่ใช่ว่ากิเลสมันหมดไปนะมันยังอยู่แต่ว่าเป็นกิเลสชั้นดีอกิเลสชั้นนี้ก็พาให้ ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปใ น, ปในสงสารแต่ว่าส่วนมากก็เกิดเป็นมนุษย์สูงกว่านั้นก็เกิดเป็นเทวดาสูงไปกว่านั้นก็เกิดเป็นพรหมออนี่ได้ว่าเมื่อท่านก็จัดวอาเป็นกิเลสเหมือนกันแหละมันพาให้เกิดอีกอย่างนี้นะแต่เป็นกิเลสที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลไม่ไม่เป็นกิเลสประกอบไปด้วยบาป นี่มันต้องแยกแยะออกให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผู้ใดรู้มีปัญญาแยกแยะออกได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะขยันทำบุญกุศลความดเาีเริ่มต้นจากการให้ทานมาแล้วมารักษาศีลในบริสุทธิ์มาเจริญธรรมะวิปัสนาภาวนาอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นมูนี เมื่อผูบ้บำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ทําความดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่ที่เดิมถ้าผู้ใดว่าอย่างทําความดีก็ได้แก่ให้ทานแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เท่านั้นแล้วไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเช่นนี้ก็เรียกว่า ผู้นั้นทำความดีไม่ก้าวหน้าเพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นนั่นมันยังมีเวลาเสื่อมได้อยู่จิตใจนี่นะมันบางทีมันก็อาจเสื่อมจากบุญกุศลอ น, นั้นได้เพราะว่าผู้นั้นไม่ได้รักษาจิตของตนเรื่อยไปปล่อยให้กิเลสมัน เกิดขึ้นในใจมากขึ้นไปธรรมดาแหละใจนี้เมื่อไม่ได้สํารวมระวังรักษานในเช่นนี้มันก็ต้องสั่งสมกิเลสให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแหละเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้บุคคลสะสมกิเลสขึ้นมันมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะก็รูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่างงเหล่านี้แหละ เมื่อคนไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นแหละขึ่งพากันพิจารณาตามธรรมะที่บรรยายให้ฟังมานี้เมื่อพิจารณาตามแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นเหตุเห็นปัจจัย ของชีวิตดังกล่าวมานี่ได้เมื่อผูดด้ใดมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ได้แล้วก็ผู้นั้นก็จะเพียรละเหตุปัจจัยอันตกแต่งให้ชีวิตนี่ได้รับทุกข์ทนทรมานดังกล่าวมานั่นนหะไปก่อนเมื่อละเหตุปัจจัยอันชั่วร้ายเหล่านั้นออกจากกิจใจได้แล้วก็มาละเหตุปัจจัยอันจะพาด ดวงกิจนี่เล่ล่อนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจก็ได้แก่อุปทานขันธ์ทงห้านี่แหละความหลงยึดถือว่าขันธ์ห้าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแม้ว่าบุคคลจะทำบุญกุศลทำความดีอะไรอยู่ก็ตามแต่ถ้าไม่สอนใจนี้ให้โปรงให้วางขันธ์ห้านี่แล้วก็ นี่แหละมันเป็นตัวกรรมนำดวงขิดที้ให้ไปเที่ยวเกิดพอในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ข้าปฏิบัติดังกล่าวมานี่มันก็แล้วแต่บุคคลผู้ฝึกตอนอบรมตนมาได้เท่าไหร่ถ้าหากว่าผู้นั้นเพียรพยายามละความชั่วแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้ เมื่อความชั่วมันเบาบางไปความดีมันจเจริญขึ้นอย่างนี้บุญคุณศรนเน้มันก็หนุนจิตใจให้ทำความดีเรื่อยไปไม่หยุดไม่ยัง้งเอา้าจิตที่ยังไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างนี้ก็เพี้ยนเพ่งพินิษพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในน้ำในรูปในขันทั้งห้าอันนี้ให้มันเห็นได้ตามเป็นจริง เพื่อจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งตาบใดแล้วมันก็ถือมั่นไว้ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นต้องภาคเพียนพยายามใช้ปัญญาค้นคว้าเพ่งพินิษ์ให้เห็นตามสาภาพความเป็นจริงเสมอเสมอไปเมื่อมันเห็นจริงตามเป็นจริงไปเท่าไหร่มันก็เกิดนิพพิธาเบื่อนหน่ายไปเท่านั้น เมื่อมันเบื่อนายไปเท่าใดมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะละความยึดมั่นถือมั่นได้โดยเด็ดขาดดังนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรไม่ประมาทปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าผู้นั้นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป